ผดึงหน้าที่ของพวกเราเจ้าทธจะเลิมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดราเอกสอนโลกไม่ใช่จะพาอโลกมนุษย์นะ เทวโลกปลอมมาโลกพูดถึงว่าโลกนอกจากโลกมนุษย์ไปถ้าเผื่อพวกเราม่ได้มาศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะงงหนักหนักเข้าจะไม่เชื่อว่าเป็นจริงมีจริงหรือเปล่า อานิสงส์ความดีคือบนถ้าเหนือจากมนุษย์ไปเป็นเทวบุทเทวดาสวรรค์ชั้นฟ้าความเป็นทิพอันนี้ถ้าเผื่อพวกเราไม่มาศึกษาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะไม่เชื่อ มันจะไม่เข้าใจส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์นนณาเป็ น, นาศาสตราเอกสอนโลกสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นคำสอนเทวดาตรงนี้นะ่ะเอเทวดาอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไปสอนได้ไง มันจะงงนะนะแท้ที่จริงแล้วเทวดาเทพบุตรเทวดาความเป็นทิพนั้นเกิดขึ้นจากใจของมนุษย์คนเราใจของมนุษย์คนเรานะั้นเป็นเป็นได้ก็เพราะ อาศัยแรงเล็ดศรัทธาความเชื่อเว้นจากความชั่วนอกจากเว้นจากความชั่วอาศัยศรัทธาความเชื่อรู้จากจาค่าเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหริอเจียจานแบ่งปันความสุขให้บุคคลอื่น ที่เกิดจากจจตุปใจทยาทธรรมของพวกเราที่ได้มาจากสัมมาอาชีวะจากการงานกุศลและเจตนาตรงนี้ใจของมนุษย์คนเราถ้าเผื่อใครมีความสำเนึก มาเรียนรู้ว่าใจมนุษย์คนเรานี่ตายไม่เป็นใจมนุษย์คนเรานี่แ่ไม่เป็นใจมนุษย์คนเรานี่อยู่กับความดีความดีที่ถูกความถูกที่ดีมีอะไรเป็นหลักใจมีอะไรเป็นเครื่องวัดหลักใจ อาศัยความเชื่อในพระพุทธเจ้าอาศัยความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยความเชื่อของปา ร, รียสงฆ์ที่เป็นสาวกยอดตรทันนาคมเป็นสารณะที่พึง่งไม่ได้เชื่ออันอื่นเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า บนมีจริงบาปมีจริงพพนี้มีจริงพบหน้าชาติหน้ามีจริงส่วนพบนี้ชาตินี้พวกเราไม่สงสัยละเพราะพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเชื่อชาติชนวันณะไหนก็ตามความว่าขึ้นขึ้นชื่อว่าความเป็นมนุษย์ ถ้าว่าภาษาให้พวกเราเข้าใจเกิดมาได้ยังไงความเป็นมนุษย์คนเราเกิดมาได้เพราะบุญอาณิสงฆ์ความดีคือบุญพาพวกเรามาเกิดถ้าไม่อาศัยอานิสงฆ์ความดีคือบุญพามาเกิดแล้วถึงจะอยากจะเกิดเข้าท้องของเขาไปแล้ว แทนที่เขาจะมีความรักบางคนบางหมู่บางพวกนั่นนะ่ะแทนที่เขาจะมีความเมตตากลับไปทำลายแทนที่จะถือว่าเป็นลูกเขาเข้าใจเป็นมารหัวขนปาร์ทโค น, โ ท, คนทั้งคนไปอาศัยเขาเกิดดวงจิตดวงวิญญาณทั้งดวงไปอาศัยเขาเกิด เป็นลักษณะนี้ก็มีอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกอันนี้แรงเลสคำว่าบาปอากโกศลที่ไม่มีบุญเป็นบุญพาเกิดถ้าอาศัยความเป็นบุญอนุสงทานศีลภาวนาความดีที่สมบูรณ์เนี่ย ผู้เป็นแม่กระเตรียมไว้ที่เป็นแม่สมบูรณ์ผู้เป็นพ่อกระเตรียมไว้ที่จะเป็นพ่อสมบูรณ์ผู้เป็นแม่สมบูรณ์เป็นพ่อสมบูรณ์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าประเทศไหนบ้านใดเมืองใดแหละเขามีวัฒนธรรมประเพณีก่อนที่อยู่ด้วยกัน รับผิดชอบกันต้องมีการร้องขอแต่งการแต่งงานรับผิดชอบกันถ้าพ่อแม่มีในลักษณะนั้นอะเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีดวงจิตดวงใจที่มีบุญมาเกิดประเสริเกิดลักษณะนั้นพ่อเป็นพ่อผู้เป็นแม่รักตั้งแต่รู้ตัวเองว่า ลูกมาเกิดด้วยแล้วห่วงห่วงยิ่งเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงความรักตรงนั้นน่ะเอาชีวิตเขาแหลกอะไรใครจะมาทำลายลูกไม่ได้เอาชีวิตเขาแหลกเลยเนี่แรงเด็ดคำว่าบุญกุศล พามาเกิดนั่นนะถ้าเป็นบาพาเกิดก็อย่างว่า น, นั่นแล้วแม่ก็ไม่สมบูรณ์พ่อก็ไม่สมบูรณ์อยากจะไปเกิดไปเข้าท้องกันแล้วเป็นผู้เป็นคนเป็นลูกอยู่ในท้องเขาจำลายทิ้งอย่างนี้ก็มีอยู่ถมเถไม่เจ๊ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดประเทศไหนนอกจากนั้นแล้ว นึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงบุญนึกถึงกุศลไม่ได้ดวงจิตดวงวิญญาณประเภทนั้นอะ่ะมีแต่เรื่องบาปเด น, นึกขึ้นมามีแต่เรื่องความไม่ดีเด น, นึกขึ้นมาได้ถึงอยากจะเกิดเป็นรูปเป็นลางที่เนี่ย โลกร่างในโลกมนุษย์นีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอบายยูมเป็นพบภูมิหาความเจริญไม่ได้อันนั้นคือสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานในน้ำบนบกจะตัวตัวตั ว, ต ว, ตวเล็กขนาดไหนพวกเราตั้งใจดีๆเอาใครปรารถนาอยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนั้น อันนี้แรงเล็ดของการมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแรงเล็ด ต, ตรงนี้นึกขึ้นมาได้ก็เพราะการตั้งใจตั้งใจได้ดีตั้งส ต, ติได้ดีขึ้นชื่อว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่มีใครปรารถนาอยากจะไปเกิดเป็นลักษณะนั้น ยิ่งเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่แล้วก็อย่างว่านั่นแหะสัตว์เดรัจฉานเคยขาดจากโลกไหมไม่ว่าประเทศใดบ้านใดเมืองใดเคยขาดจากโลกไหมสัตว์เดรัจฉานฉะ่นั้นเรื่องเปลีนเรื่องผีเรื่องสุรกายเรื่องสัตว์นรก ยิ่งมากยิ่งทนทุกข์ยิ่งทรมานเกิดได้ยังไงแรงเล็ดการทำความชั่วของมนุษย์คนเหล่าที่เกิดจากอำนาจของกิเลสโลภกรดหลงเท่เกิดจากอำนาจของตัณหาความทะเยอทะยานอยากและแั่นั้นบุคคลที่สนใจ ในหลักศีลหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีฉีมากน้อยเอาคนที่ไม่สนใจทำผิดศีลผิดธรรมผิดแม่หมดกฎหมายมีมากเท่าไหร่เอาเปรียบเทียบดูเท่กับคนที่มีธาตามเชื่อมีหลักศีลหลักธรรมเป็นเครื่องวัดด้านจิตใจเป็นเอา คุของพระพุทธเจ้าเป็นสระนาที่พึ่งเหมือนพวกเราท่านๆอันนี้เป็นเครื่องวัดให้พวกเราเข้าใจว่าเออมันเป็นไปได้เพราะเหตุนี้เองว่าสัตว์เดรัจฉานทาไมมันมากแท้คนไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปมันมีมากขนาดไหนแปดปดีสุรกายสัตว์นรกคนไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปมัน ม, มีมากขนาดไหน เราจะไปต้องใส่อะไรสิเนี่ยพอใจดวงนี้มันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นและดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เทวดาและมนุษย์รู้ตัวว่าเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาได้เสวยความเป็นเทพกับเพราะอาศัออออายอาศัยอาศัยอาสงทานศจนภาวนาบุญกุศลนี่ แต่นั้นบรรดาเทพพรดาทั้งหลายมีความเชื่อถึงจากหมดอายุบุญเทพบุตรเทพวดามาเกิดความเป็นมนุษย์ก็เป็นนิสัยผู้มีบุญมีกุศลเหมือนพวกเราท่านท่านพวกเราทุกคนนั้นแ่ละไม่ต้องสงสัยว่าพวกเราเคยเป็นเทพบุเทวดาไหมไม่ต้องสงสัยเคยเกิดเคยเป็นมาทางนั้นแหละ แต่นั้นอาในสงตรงนี้แหละพวกเราเลืมไม่ได้ความสุขกรรมมะโกนความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารอมณ์ตัวเนี่ยอย่างน้อยๆก็ให้มาเกิดความเป็นมนุษย์ยินดีรูปเสียงกลิ่นรสของความเป็นมนุษย์ถ้าดีขึ้นไปกว่านี้ยกฐานะรูปสวยรูปงามอายุเยืนยาวนานความเป็นเทพปรนึกขึ้นมาประเภทไหนได้ตามความเจตนาปรารถนา ความเป็นเทพอันเนี้ยแรงฤทธิ์เกิดจากอานนส่งคำว่าบุญทานศีลภาวนาฉะนั้นแตถาตรงนี้พวกเรามีความเชื่อตรงนี้มีความมั่นใจเนี่ยมีความมั่นใจว่าพบหน้าชาติหน้าขึ้นชื่อว่าความเป็นบาป ไม่เอาไม่ปรารถนาไม่อยากจะไปขึ้นชื่อว่าความเป็นบนุญต้องการปรารถนาจานนึงมีการมาสร้างลักษณะความเป็นบุญให้เกิดขึ้นอย่างเนืกถึงสินห้าไม่ต้องสมาทานกุศลและเจตนางดเวนหรือสินแปดสินอุโบสถ ก็ไม่จ้องไม่ต้องจําเป็นจะมาฐานเกตนางดเวนอันนี้ก็เป็นศีลแล้วแต่นั่นศีลห้าศีลแปดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในเว้นจากข่มชั่วเว้นจากในสิ่งที่มันเป็นบาปนั่นน่ะแต่และข้อแต่และข้อเวแล้มาเนเวแล้มาเนให้พากันดีให้พากันเลี้ยงให้พากันเว้นนะ้อย่าไปทํานะมันเป็นบาป เมื่อพวกเรามีศัทธาความเชื่อในเหตุในผลลักษณะนี่กลัวบาปเราไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นบาปกรแสดงว่าใจของพวกเรานี่ย น, นะมันมีความเป็นบุญจลิตนิสัยวาฒนาบารมีความดีเชื่ อ, อมั่นในความเป็นสมบัติความเป็นบุญก็คือความเป็นสมบัติัแสดงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติ จดนันทการมาฟังมาฝึกเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติถ้าเผื่อพวกเรายังไม่ถึงนิพพานสมบัติยุตราบใดพวกเรายังวนเวียนอยู่ในภพในภูมิในภ พ, ใ น, พ, ใ, นพในชาติถึงจะวนเวียนอยู่ในภพในภูมิก็เป็นภพภูมิที่มีความเป็นสมบัติจะดีที่สุด ถ้าพบพรมอยู่ในความเป็นวิบัติเป็นศาสตร์ศานาเป็นเปรตเป็นผีศาจเปนโลกเวชีอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เดรัายไม่ควรจะให้จิตใจของพวกเราตกในฐานะในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้ น, นการมีหลักใจอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรส น, นาที่เพ่งเล้ยจากความชั่วตามหน้าที่ อุบาจาสิกาชาวบ้านถ้าเผื่อเป็นไปได้ก็สินให้อย่างน้อยๆกับวันพักแต่และครั้งแต่และครั้งแต่และครั้งนั้นมีเป็นหลักใจไว้หรือว่าแต่และข้อแต่และข้ออันไหนมีความจำเป็นในชีวิตพอหลีกพอเลี่ยงได้อันรวมได้ช่วงไหนการใดเวลาใดแล้วก็วางไปตามเหตุตามการในทางที่ดีที่สุดก็คือ เด็กได้เลี้ยงได้ด้วยความบริสุทธิ์เดีที่สุดเลยเหนือจากศินห้ากับสินแปดเนี่ยเหนือจากศินแปดกับสินเซฟสินสองร้อยยี่สิบเจดอันนี้พวกเราชาวพุดพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเอาศินเป็นพื้นฐานเอาสินเป็นเส้นทางเป็นเครื่องป้องกันความชั่วเรื่องของเรื่องไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะ เอาทีนี้ต่อไปจะได้นำนั่งสมาธิ <c oughs> การนั่งสมาธิที่เนี่ยคือเป็นการฝึกกำลังใจฝึกกำลังใจเข้าใจของพวกเราอยู่เรียนนี่อยู่ในท่ามกลางของรูปร่างรูลปร่างที่ว่าตัวของเรานั่นแหละแท้ที่จริงแล้วตัวของเรานั่นน่ะพระพุทธเจ้าสอนว่า โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นลักษณะลักษณะของลกูกข า, าสองแขนสองศรีรษะอวัยวะทุกสั ส, ส่วนเรือดการสามสิบสองในโลกเวทนาที่เนี่ยคือความเจ็บความปวดทุกข์เวทนาจะมากจะน้อยมีกันทุกคนเมื่อทุกข์เวทนาเจ็บปวดเกิดขึ้น ตามแช่งตามขาตามหลังตามเอวหรือโรคภัยใข้เจ็บเราจะเอาใจไว้ยังไงทีเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีการฝึกที่อยู่ของใจเพราะใจนี่มันอยู่ในโมหะความหลงอุปทานการยึดยึดว่ารูปร่างของเราเป็นตัวเป็นตนมันก็ไปยึดเป็นตัวของเรา ความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเมื่อก็ะยืดว่าตัวของเราเจ็บปวดแท้ที่จริงแล้ว่ความยืดลักษณะเนี่ยแต่ว่าอุปทานแต่เข้าใจผิดฉะนั้นจึงมีการมาฟังว่าโรคสังขารร่างกายแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นนะ่ะเขาก็อยู่ตามเรื่องของเขาอย่างขาสองกับใจคือความโรคเป็นคนละเรื่องกัน แฉนสองอวัยวะทุกสัดส่วนมันเป็นก้อนเรื่องในกระใจความรู้ถ้าเนั่องใจคือความรู้มันรู้อยู่ความเจ็บความปวดเหนื่อยเมื่อหิวมันเกิดขึ้นอันนั้นอะเวทนาขันอันนันอะมันเหล็กมาได้มันเลี้ยงมาได้ปีมาแต่วันเกิดจนถึงที่สุดอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใจดวงนี้มันจะหยอกหรือใจคือความรู้มันรู้อยู่ แต่ั้นใจคือความรู้มันรู้ในดวงทุกขา์าเวทนาจะเจ็บปวดมากน้อยตัวเนี้ต้องทำใจให้มีความหนักแน่นทำใจอย่าไปหวั่นไหวทำใจวางอุบเบกขาวางเฉยเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นรู้เป็นเวทนาเป็นก้อนทุกข์ในร่างกายใจของพวกเรา มเมื่อเรียนรู้ตามความเป็นจริงแล้วให้มีหลักใจอยู่ในลักษณะของศีลของธรรมมาเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นหลักใจศีลคืออารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีนั่นคือธรรมเป็นกุศลธรรมอารมณ์เรียบร้อยนั่คืออารมณ์ของศีลแต่นั่นลักษณะอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยนี่น่ะมาเป็น วิหารและทำเครื่องอยู่ของใจให้ใจวางอุปทานที่ไปยืดความเจ็บความปวดให้ใจของเรามายืดอยู่กับอารมณ์ของบุญของอุศลของศีลของธรรมเป็นเครื่องอยู่จะน้นเสียนคืออารมณ์ดีธรรมคืออารมณ์ดีศีนะลธรรมศีลธรรมหน้าเราดูอารมณ์ของจิตใจของเราอยากให้มันมีความโมยเยดฟุ้งซ่านลำคาญ ให้มีความดีเป็นปกติสายสดซื้งเลื่อนเลิ่งยิ้มแย้มแจ่มสายเยน็นอกเยน็นใจอยู่นึกพุทธโธพุธโทโธเป็นส่วนประกอบตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีนึกพุโทโธพุธโทโธเป็นส่วนประกอบลักษณะนี้คือฝึกกําลังใจให้ใจของพวกเราอยู่กับบุญอยู่กับกุศลบุญคือนึกพุโทโธเพื่อให้เกิดความเป็นบุญนึกพุโทโธได้ความเป็นบุญก็เกิดขึ้นมา กุศล ค, ความเจริญรู้จักเลือกเฟน้นเราเจ้าใจของเราอยู่กับความเป็นศีลเป็นธรรมนี่ฉะนั้นใช้กำลังความเป็นศีลเป็นธรรมเนี่ทำให้ใจมีกำลังเนี่ยจะไปหวั่นไหวอย่าไปสะทกสะท้านความความเจ็บความปวดความเหนื่อยเมื่อยหิวนี่คือฝึกให้ใจของเราอยู่กับความเป็นสมาธิธรรมอันเนี้ย ทุกคนตั้งใจฝึกนึกพุโทโธพุธโทโธทำใจสบายสบายนะนึกพุโทโธพุธโทโธต่อไปจะได้หยุดอธิบายแล้วที่นี่ <c oughs> ดูสิ่งที่ให้ดูไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลคือดูใจของเรามาเรียนรู้เรื่องของใจ ใจของพวกเราเรานั่งหลับตามันรู้อยู่ไม่ใจมันรู้เฉยๆนะผลการกระทํนั่นนะ่ะผลความนึกความคิดนั่นนะ่ะถ้าเนึกคิดไปตามอารมณ์ ในสิ่งที่มันเป็นโทษมันเป็นบาปใจคือความรู้นี่น่ะมันจะมีความไม่ดีเกิดขึ้นในขณะที่นึกคิดไปอย่างที่พวกเรารู้รู้อยู่ถ้านึกคิดไปในทางที่มันดีมีประโยชน์ อย่างเนึกคิดไปการรักษาศีลทาบุญทาทานเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสื่อเลือเชียจานทำใจให้มีความยินดีมีความพอใจมีความยินดีมีความพอใจใจของเรานั่นแะ มันจะรูจะ้จมันจะมีความรู้สึกพอใจยินดีเอิบอิ่มมีความนึกขึ้นมาได้มากมีความปีติมีความสุขมากฉะนั้นาการนึกคำบุิกรรมกรณีออใช้คำบริกรรมนึกพุโทโธพุธโทโธจิววางเรื่องต่างๆทําใจให้สบายสบายโสดลึนลื่นเลงยิ้มแย้มแจ่แมใส เย็นอกเย็นใจใจของพวกเราเนึกขึ้นมาลักษณะนี้เป็นการฝึกใจของเราให้มีความเฉลาญให้อยู่กับความเป็นบนุญฉะนั้นใจคือความรู้ให้เนิกในสิ่งที่เป็นบนุญให้ชิดในสิ่งที่เป็นบนุญและให้ทาในสิ่งที่มันเป็นบนุญ เะ็นเนื้คิดทาในสิ่งที่เป็นบุญเป็นความดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออาศัยหลักความถูกต้องคือหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากนั้นอนะ่ะแบบทางโลกในทางที่ดีมีเหตุมีผลที่ยอมรับกันอันนั้นคือกฎหมายถ้ากฎหมายอยู่ในขอบเขตของหลักศีลธรรมกฎหมายประเภทนั้นอนะ่ะ กลาเป็นหลักใจที่จะทำให้จิตใจมีความดีเสริมส่วนความเป็นบุญที่เกิดจากหลักศีลธรรมมันเสริมกันได้มันไปในเส้นทางกันได้แังนั้นหลักกฎหมายไม่แน่นอนเหมือนหลักศีลธรรมบางเสิ่งบางอย่างเอา้ามันกาผิดลักษณะของศีลธรรมบางสิ่งบางอย่างมันเข้ากันได้ส่วนไหนที่มันเข้ากันได้กับหลักศีลธรรม อันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นมีการฝึกได้ยินได้ฟังทางหลักศีลธรรมเป็นหลักใจเอาไว้เกี่ยวเป็นสาระที่พึ่งทางใจเนี่ยใจคือความรู้ให้มีลักษณะความดีปรากฏขึ้นลักษณะความดีคือความสุขความสจบายอย่าให้มีเรื่องอย่าให้มีปัญหา อันนี้เรามาฝึกดูใจเรียนรู้ความดีของใจในลักษณะนี้ผ่านเข้าใจความหมาย <c oughs> เอาวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เิด า, าเลิกเปลี่ยนในบทของกจของเราทีวนี้พวกโยมเดิกไปก่อน